บทภาชณีสำคัญว่าไม่ใช่ญาติจตุกะที่หนึ่งห้าภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ซักจีวอนเก่าต้องอบัตินิสักียาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติให้ซักให้ย้อมจีวอนเก่าต้องอบัตทุกกดกับอบัตินิสักียาปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ซัก ใช้ให้ทบจีวรเก่าต้องอบัตทุกฎกับอบัตนิสัคียปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ซักใช้ให้ย้อมใช้ให้ทุบจีวรเก่าต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตนิสักคียปาจิตตีสําคัญว่าไม่ใช่ญาติจตุกะที่สองภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมจีวรเก่าต้องอบัตนิสักคียปาจิตตี ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้ทุบจีวณเก่าต้องอบัตทุกกฎกับอบัตนิสักียะปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้ให้ซักจีวณเก่าต้องอบัตทุกฎกับอบัตนิสักียะปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ย้อมใช้้ทุบ ใช้ให้ทุกจีวรเก่าต้องอบดับทุกกฎสองตัวกับอบัตนิสักคียาปาจิตตีสําคัญว่าไม่ใช่ญาติเจตุกาที่3ภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ทุกจีวรเก่าต้องอบดับนิสัขขสกคียปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ทุกใช้ให้ทุกจีวรเก่า ต, ต้องอบดับทุกกฎกับอบัตนิสักคียาปาจิตตี ภ w w ิกษ is ุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ทุบใช้ให้ยอมจีวรเก่าต้องอบัตทุกกฎกับอบัตนิสักียะปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติใช้ให้ทุบใช้ซักใช้ให้ยอมจีวรเก่าต้องอบัตทุกกฎสองตัวกับอบัตนิสักียะปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติทุกกฎ ภิกษุใช้ภิกษุณีให้ซากจีวรเก่าของภิกษุรูปอื่นต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ภิกษุณีให้ซากผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนต้องอบัตทุกกฎภิกษุใช้ภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวให้ซากต้องอบัตทุกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติต้องอบัตทุกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎ พิษุนีที่เป็นญาติพิกษุ ส, สำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัต